ยังไม่หายเหนื่อยเลยปิดสองวันวันนี้งานเข้ากรุงเทพเยอะคลายๆเอาธรรมะไปให้ถึงบ้านเลยแต่ก่อนหนูพ่อไปเรียนนะวุฒิไปไกลหาครูบาอาจารย์อยู่ทางเหนืออยู่อีสานใกล้ที่สุดก็โคราช ตะเวนไปเรียนบางที่ไปยากมากรถเข้าไม่ถึงเดินเข้าไปเดินไปครึ่งวันยังน้อยนะสมัยครูบาอาจารย์ท่านเดินตามหาโลวงปุ่ ม, มั่นเดินกันหลายเดือนที่เดินจนไม่เจอก็มีเดี๋ยวนี้พวกเราสะดวกเรียนไม่ยากนะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เรียนได้แนละ้วแล้วได้ผลด้วย พวกที่อยู่ต่างประเทศเขาเรียนกันเวลาเขามาส่งงันบ้านน่าดูนะนึกไม่ถึงนะตอนนยโยขอทำซีดีที่แรกหรือขอทำเว็บนะไม่ค่อยเรื่อมใส่นะ <c oughs> ไม่เคยเห็นเงียเรียนธรรมะ ก, กันทางอินเทอร์เนต็ตเรียนไปเรียนไปได้ผลจริงจริงเรียนแล้วพอไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ยอมรับนะ ยอมรับสิ่งที่พวกเราฝึกกันมาหลายองค์ก็ชมว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมนลาวนาเก่งเยอะมีเยอะเมื่อวันวิสาขะหลวงพ่อพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดถึงเรื่องสภาวธรรมสิบสองขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องรูปนามทั้งหมดเลย เหลืออยู่อันหนึ่งเว้นไว้ให้พวกเราตอบเองคือตัวทุกเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามทำได้ไหมเป็นอะไรฮะสองใครว่าเป็นสองอย่างบ้างใครว่าเป็นรูปบ้างตัวทุกใครว่าเป็นนามบ้างมีนามนะพระพุท <c oughs> ธเจ้าสอนนะว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกรูปนามนะตัวรูปตัวนาม ไม่ใช่รูปอย่างเดียวหรอกไม่ใช่นามอย่างเดียว <c oughs> ตัวทุกข์กับตัวนามรูปนั้นอันเดียวกันตัวสังขารกับตัวภพนั้อันเดียวกันพวกที่เหลือเป็นตัววิบากเอาวิชาตันหาอุปาทานนี่เป็นตัวกิเลส ต, ตัวที่เหลือเป็นตัววิบาก การที่ท่านสอนปฏิจโสวบาทิสอนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากระบวนการเกิดความทุกขนะ์แมันเกิดจากเหตุตัดใจสืบเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาไม่มีอะไรที่บังคับไดนะ้แล้วสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีนี่จะเห็นเลตลอดสายของการปฏิบัติไม่มีตรงไหนเป็นเราสักที่เดียวเลย มีแต่ความหลงผิดงั้นเรามาเรียนปฏิจจสมบัติเพื่อให้เห็นความจริงมีแต่รูปนามรูปนามแต่ละรูปนามก็ต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดงั้นสิ่งทั้งหลายเป็นแค่ปรากฏการที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆถ้าเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขากล้างความเห็นผิดได้ พระพุทธเจ้าท่านเห็นปฏิจจสุ บ, บัตท่านก็บรรลุพระอรหันต์จริงแล้วการบรรลุพระอรหันต์ทุกทุกองนะเห็นแจ้งอันเดียวกันนี้แหละแต่ลึกซึ้งไม่เท่ากันขนาดพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นะเห็นปฏิจจสุ บ, บัทิยังไม่เท่ากันเลยบางองค์ท่านเห็นลงมาตื่นเงินวิญญาณเป็นปันจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปันจจัยของวิญญาณท่านจบทอนนี้ท่านขาดเลย กิเลสของท่านาดสะบั้นลงไปพระพุทธเจ้าท่านลึกลงไปอีกสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่อวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่จริงท่านยางลึกลงไปอีกอะไรมีอยู่อวิชามีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชามีอยู่อะไรมีอยู่อาสวะจึงมีอยู่อวิชามีอยู่อาสวะจึงมีอยู่ วัดวัดตามันหมุนหมุนหมุนไม่จบไม่สิ้นเลยหล่อเลี้ยงกันไปมาแล้วว่างอาวิชาเอาสวะจริงเอาวิชาก็ า, า, ากเป็นอาสวะตัวหนึ่งเนอาวิชาสวะเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นกิเลสที่ห่อหุ้มจิตเลยเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตนลพวกเราตอนนี้ใครนอนมาแล้วเห็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตบ้างมีเรือง ลองยกมือให้ดูที่มีไหมโอ้มีมีบุญทุยมีบุญทุยอะข้าก็ไม่ตายทําลายก็ไม่แตกตัวนี้มันจะทําลายขาดได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะด้วยอริยมรรคแต่มันเหนียวที่สุดนะอริยมรรคขั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นนะอาสวะก็แตกไปเดี๋ยวกลับมาอีกล้วแป๊บเดียว okay. ไม่กี่ขนาดจิตนันะ่นน่ะก็กลับมาหุ้มจิตใหม่แต่ครั้งที่สองครั้งที่สามก็กลับมาใหม่ถึงครั้งที่สี่ขาดสะบั้นไปได้หน้าที่ของอาสวะเนี่ยอาสวะเนี่ยคล้ายๆอย่างใครเคยอยู่บ้านที่เป็นไม้กระดานมั้งมีไหมที่พื้นเป็นไม้หรือบนโต๊ะมีโต๊ะที่เป็นไม้เราทําน้ําหกนะน้ําไหลเป็นทางไปเราเช็ดนะเช็ดให้แห้งน้ําหกลงที่เดิมนะั้นมันจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลย ตามความชื้นเก่าๆที่มันมี อ, อาสวะเป็นแบบนั้นนะมันเป็นตัวนำให้กิเลสนะย้อมจิตอย่างรวดเร็วเลยพุ่งพวดเข้ามาที่จิตอย่างรวดเร็วนียงั้นถ้าตราบใดอาสวะยังอยู่นะีกิเลสยังมาย้อมจิตถ้าอาสวะไม่อยู่กิเลสมาย้อมจิตไม่ได้ละมายยากนี่พวกเราต้องภาวนาดูของจริง ดูของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปดูจนเห็นกระบวนการทำงานของจิตปฏิจจสวบัติลงไปดูให้ดีเป็นกระบวนการอยู่ในจิตนี่แหละทำงานมาตั้งแต่อวิชชาเกิดขึ้นมาปรุงอวิชชาอยู่ที่จิตปรุงขึ้นมาหรือจะทำลายมันกะ็เกิดวิชาวิชาก็เกิดที่จิต ถ้าทำลายต้นต่อตรงนี้ได้กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็ดับเลขาดไม่มีใครดับกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทได้เก่งแค่ไหนก็ดับไม่ได้มันดับของมันเองเพราะเหตุของมันไม่มีเหตุของมันก็คืออาสวะมันถูกทำลายไปอาสวะถูกทำลายได้ด้วยมรคไม่เหมือนนิวรณ์นะนิวรณ์ถูกทำลายได้ ด, ด้วยสมาธิ กิเลสถูกทำลายด้วยสติกิเลสหยาบๆใช้สติเข้าไปทำลายมันนิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางใช้สมาธิอาสวะนี่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดเลยจะทำลายไดนะ้ด้วยปัญญาอันยิ่งในอริยมรรคปัญญานอกมกรรคก็ยังทำลายไม่ได้จริงขนาดปัญญาอันยิ่งไหนมั้งต้องทำลายทั้งสี่ครั้งนะเหมือนฟันสี่ทีนะ่าถึงขาดนะ คล้ายๆทุ่มก้อนหินลงน้ำตู้มลงไปนะน้ำใหม่อีกละตุ้มลงไปอีกน้าใหม่ก้อนสุดท้ายนี่ใหญ่เลยใหญ่เต็มบอ่อเลยเข้าไปแทนที่มาไม่ได้แต่กว่าที่เราจะภาวนาจนมาเห็นตรงนี้นะมาล้างตรงนี้ได้ต้องอดทนนะเก่งไม่สำคัญหรอกฟังไปรู้มากไปล้างกิเลสไม่ได้อย่างคนเรียนตารานะเรียน เรื่องสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาเนี่ยพระพราหม์เขาเรียนกันในหลักสูตรนักธรรมเอกถ้าเรียนอภิธรรมนะอยู่ในปริเฉษที่เก้าปริเศ ษ, 9, ษเฉดสุดท้ายเลยแต่เขาเรียนก่อนเรียนก่อนตัวที่ยากที่สุดคือคำพีปัฏฐานก็คนที่ได้ศึกษาหลักของปริยัตนะ ก็รู้ว่าสมถะเป็นไงวิปั ส, สนาเป็นไงรู้ว่าวิปัสสนานั้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียนแล้วรู้ทุกคนเลยแต่ล้างกิเลสไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามรู้แต่หลักนะแต่มันไม่เห็นทำยังไงจะเห็นเคล็ดลับมันมีเราจะเห็นได้จิตเราต้องตั้งมั่นขึ้นมาในตำราก็สอนนะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องมีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาปัญญาตัวนี้เกิดได้ด้วยสมาธินี่สมาธิมันมีหลายแบบพวกหนึ่งนะเดินปัญญารวดเลยแล้วก็คิดมักง่ายเอว่าสมาธิเนี่ยคือเอกคตาเจตสิกพวกที่เรียนอภิธรรมเนั่นชบคิดอย่างเงี้ยสมาธิคือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิต ท, ทุกดวง เอกคตาเชิดสิงเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงเลยเพราะงั้นไม่ต้องฝึกก็มีนี่สำคัญผิดอย่างร้ายแรงเลยสมาธิที่มีมีกันมันมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สมาธิงั้นมันต้องฝึกนะสมาธิให้เกิดนี่พวกสุดโต่งพวกหนึ่งก็คือไม่ต้องมีสมาธิเลยก็เกิดปัญญาดได้โดยการอ่านอ่านไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรียนไปเรื่อยท่องไปเรื่อยนะเรียนสภาวธรรมบอย่างให้แตกฉาน เห็นลักษณะที่จตุกะองคสีของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเห็นหมดเลยแล้วก็ครบละลักษณะที่จตุกะก็คือสภาวะอันนั้นมีลักษณะอย่างไรสภาวะอันนั้นทำหน้าที่อะไรสภาวะอันนั้นถ้าทำหน้าที่แล้วจะมีผลเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สภาวะนั้นเกิดรวมแล้วสี่ข้อสภาวะทำทั้งหมดเจ็ดสิบสองตัว 72ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยนิพพานเนี่ยหนึ่งจิตมีหนึ่งจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตมันหลากหลายไปได้มีตั้ง70เอ้มีตั้ง80 8, เท่าไหร่8ดดวงใช่พวกเราไม่มีหรอก89จิตต้องส่วนหนึ่งเป็นโลกุตระนะมรรคจิตโพลจิตสนะักแปดุถุชนนัมี81ดวง แลถ้าไม่ได้ทรงชานเหลือน้อยวันนั้น อ, อีกเยอะเลยจิตจะมีแปดบเก้าดวงก็จริงแต่โดยธรรมชาติแล้วมีอันเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้เพราะงั้นจิตถือเป็นสภาวะอันหนึ่งมันหลากหลายออกไปเพราะเจตสิกที่เข้ามาประกอบนะก็มีมีจิตเป็นหนึ่งนะมีนิพพานอีกหนึ่งเป็นสองนะอีกเจนะ็ดสิบสภาวะธรรมอีกเจ็ดสิบตัวนะมีรูปสบแปดตัว มีรูป18นะเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งรวมไปทังนี้ยี่สรูปทาไมมี18ปเป็นรูปแท้รูปที่เหลือไม่ใช่รูปแทเป็นรูปอาศัยอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่รูปแท้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนคือก้อนธาตุธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปแท้แล้วก็มีเจตสิกอีก5้าสิบ ที่เป็นสังขารอีกห0ตัวรวมแล้วเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมทั้งหมด72็บสองตัว 52. เรียนแทบตายนะท่องแทบตายไม่เห็นนะเขาไม่รู้วิธีที่จะเห็นพวกเราที่มาเรียนปฏิบัติเนี่ยเรามาเรียนวิธีที่จะเห็นสภาวะนะต่างกันเท่านี้เองสุดท้ายเรียนเรื่องสภาวะนะ จะเรียนปริยัติให้แตกฉานก็เรียนเรื่องสภาวะเฉียะปฏิบัติให้แตกฉานก็คือเรียนเรื่องสภาวะเนี่นั้นเดียวกันงั้นนักปฏิบัติเรียนอะไรถามว่านักปฏิบัติเรียนอะไรเรียนอภิธรรมนะนักปฏิบัตินี่อะไรเรียนอภิธรรมไม่ใช่เรียนอย่างอื่นที่พวกเรามาหัดดูเราดูรูปธรรมนามารมทํางาน ตัวอพิธรรมก็ตัวจิตตัวเจตสิกตัวรูปทั้งหลายนี่คือเรื่องของอพิธรรมทั้งนั้นเหรือเราเห็นกระบวนการทำงานของจิตเป็นวิธีจิตเห็นนี่สิ่งเหล่านี้เราเรียนสิ่งเดียวกับที่ตาราสอนนั่นแหละแต่เรารู้วิธีที่จะเห็นสภาวะต่างกับเขานิดเดียวเราอาจจะไม่รู้สภาวธรรมทั้ง72ออย่างไม่แตกฉานขนาดนั้นจําเป็นต้องรู้72อย่างไหมไม่จําเป็น ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเวลาที่เรียนนะถ้าดูให้ดีพระพุทธเจ้าสอนอย่างสติปัฏฐานนะท่านสอนบางอย่างเท่านั้นเองไม่ครบเจ็ดสิบสองเรียนบางอย่างถ้าเข้าใจในสิ่งที่เรียนแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเจ็ดนสะิบสองอย่างนี่เรียนในภาคปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติเรียนไม่มากเราฝึกตัวสาคัญฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ เนี่ยตัวนี้ตัวชี้ขาดเลยว่าจะเห็นสภาวะหรือไม่เห็นถ้าจิตทรงสมาธิในลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงจะเห็นสภาวะธรรมได้ถึงจะเห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ์ด้วยไม่ใช่เห็นแต่ตัวสภาวะถ้าเห็นสภาวะเฉยๆเป็นสมถกรรมฐานดังนั้นการเห็นรูปนามเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ จะเห็นไตรักได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานสมาธิมีตั้งหลายชนิดนะเนี่สมาธิเองงอกแงกงอกแงกมันไม่ใช่นะมันวิชฉาสมาธิหรือสมาธิมักง่ายอบอกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นหมาแมวก็มีปัญญาเพราะหมาแมวก็มีจิตมีสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงวันหนึ่งหมาก็บรรลุพระอรหันต์ ท, ทั้งที่เป็นหมา เราต้องไหว่เหมันเนาะไม่เป็นหรอกเพราะตัวที่แตกหักเนะเราต้องเรียนให้ดีนะคือตัวสมาธิตัวนี้นหะพวกหนึ่งมักง่ายเพราสมาธิเกิดอยู่แล้วไม่ต้องเรียนไม่ต้องทํานะเรียนแต่สภาวะไปเลยพวกนี้ไม่เห็นใจรักของสภาวะนะไม่เห็นสภาวะด้วยเราะคิดแต่เรื่องสภาวะได้แค่คิดเรื่องสภาวะได้แค่จําตัวสภาวะเอาไว้สอบนะสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลืมนะไม่เห็นของจริง อีกพวกหนึ่งนะพวกคลั่งสมาธิทำสมาธิอย่างเดียวไม่สนใจสภาวะไม่สนใจใจรลลักคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าจิตสงบแล้ววันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คิดมักง่ายนะจิตสงบไม่ได้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานจิตสงบเขาทำกันมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรเขาทำมาแล้วทั้งนั้นอาราลตาบทุตกระดาบทนะั้นทสมาธิสุดยอดเลยนะ ถึงอากินจัญญายตนะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยสุดขีดที่สมาธิของปุถุชนจะทำได้นะก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยนะตายไปนะพระพุทธเจ้าอุทานนึกถึงแล้วท่านอุทานว่าพลาดจากคุณอันใหญ่หไม่พวกสมาธิซื่อบื้อนะไม่เดินปัญญางั้นสมาธิไม่เดินปัญญ า, ม า, ไ, มญญาไม่บรรลุมรรคผลนะมีแต่สมาธิแบบมักง่าย มักง่ายไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆไม่เห็นสภาวะด้วยซ้ำไปยิ่งแย่หนักขึ้อีกนะงั้นเราดูนะเราศึกษาเนี่ยเราศึกษากันจริงๆเราไม่ได้ว่าตาหนิใครนะเราเรียนรู้ทางวิชาการจริงๆนะถูกคือถูกผิดคือผิดคำว่าประณีประนอมไม่มีประณีประนอมระหว่างถูกกับผิดไม่ใช่นะระหว่างความชั่วกับความดีไม่ใช่นะ ประณีประนอมนั้นไม่ใช่เอามาใช้ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ประนีประนอมกับมิจฉาทิฐินะแต่ท่านไม่ให้ไปตีกับคนคนลเรื่องกันนะไม่ตีกับคนไม่ทะเลาะกับคนนะต่อสู้กับมิจฉาทิฐิถึงขนาดพยามารท่านบารรลุพระอรหันต์แล้วพยามารมาชวนนิพพานท่านบอกอย่างถ้าสาวกของท่านยังสู้กับมิจฉาทิฐิไม่ได้ท่านยังไม่นิพพาน หลังๆนี่เราประนีประนอมกับมิจฉาทิฏฐิมากเหกลือเกินจนมิจฉาทิฏฐินะเข้ามาซ่อนอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอย่างสอนกรรมฐานนะสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วก็อยู่อย่างนั้นในนิรันดร์ด้วยนะอยู่ภายในว่างนิรันดร์อยู่ภายในนิพพานอะไรมีนอกมีในนิพนะพานอะไรต้องประคองนะไม่ใช่ของจริงนะหรือไม่ยึดอะไรสักอย่างไอ้ยาก็ไม่ยึดไอ้หลัก็ไม่ยึดก็เป็นยึดนะ มันยึดความไม่ยึดอะไรมันยึดทิฏฐิว่าจะไม่ยึดอะไรสุดท้ายก็ยึดนั่นแหละเพราะฉนั้นการภาวนาถ้าถ้าเดินให้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยต้องรู้รูปนามนะประณีประนอมไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องรู้ไตรลักษณ์ด้วยนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยในภาคปริยตัตเรียนอยู่นะแล้วพอถึงภาคปฏิบัติก็ดูไม่เป็นนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งปณีประนอมไปเรื่อยๆจนคนเนี่ยสับสนมากเลยว่ากรรมฐานวิธีไหนที่มัน ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราก็เกรงใจกันนะเกรงใจกันจริงๆมันเกรงใจไม่ถูกหรอกแต่เกรงใจมันก็เป็นมารยาทแต่ต้องเรียนนะไม่ใช่โจมตีใข่ชังสิ้นหนออย่างพิจารณกายเป็นปฏิกูณาสุภาไม่ใช่วิปัสนานะไม่ใช่วิปัสนาเลยทำความสงบแล้วพิจารณกายเป็นสมถนะเรื่องของสมถะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม งั้นเราต้องมาเรียนนะให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามให้ได้วิธีที่จะทําให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไดนะ้ต้องมาฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจิตจะไม่รู้ความจริงเพราะความคิดจะปิดบังความจริงตัวอะไรที่ปิดบังความจริงความคิดนะคือตัวที่ปิดความจริงไว้ งั้นถ้าเรายังไม่เพิกตัวเองออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเห็นรูปนามอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่มีทางเลยที่จ ะ, จะเจริญปัญญาจนเกิดมรรคผลนิพพานได้วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสองวิธีเห็นไหมสอนละเอียดนะมีสองวิธีวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ทําชาญได้คนที่ทําชาญได้ก็ทําชาญไป การทำฌานต้องเลือกอารมณ์กรรมาฐานนะการทำสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์แต่ถ้าจะทำสมถะให้ถึงฌานต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ของสมถะบางอย่างไม่เป็นไปเพื่อฌานอย่างการคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ทำให้เกิดฌานการคิดถึงพระธรรมการคิดถึงพระสงฆ์การคิดถึงปฏิกูณสุภะคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยไม่ทำให้ถึงฌาน อันนี้จะอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเป็นส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้ถึงฌานได้เช่นอะไรอนาปานสติอนาคานสติอนาปนาปนสตินะใช้เดินปัญญาก็ได้นะใช้ทาฌานก็ได้เป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นอนาณานสติเนี่ยบางอาจารย์ท่านสอนไหมท่านก็พูดดีนะอาจารย์อภิธรรมบางท่านท่านพูดเลยว่าอนาคานสติ เ, เป็นกรรมฐานของมหาบุรุษไม่ใช่โมคคบุรุษ มันไม่ใช่ของธรรมดาฝึกอนาปนาสติถ้าฝึกไม่เป็นมันจะพลิกเป็นสมถะไปหมดเลยแล้วถ้าฝึกไม่ดียิ่งกว่านั้นนะจะพลิกเป็นโมหะสมาธิไปหมดเลยเป็นสมาธิที่มีโมหะแต่ถ้าถ้าฝึกถูกนะมีสติอย่าให้ขาดสตินะระลึกรู้มีสติระลึกรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้า หายใจไปสบายสบายเพอจิตใจสบายจิตใจจะเริ่มสงบพอจิตใจเริ่มสงบลมหายใจจะสั้นลมหายใจจะค่อยๆสั้นสั้นๆขึ้นมาเจอทั้งลมหายใจมาหยุดะหยุดอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเงี้ยถัดจากนั้นมันจะแปลสภาพไปเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมาทีแรกลมหายใจเป็นอารมณ์ของสมถะเรียกว่าบริกรรมนิมิต ตอนที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างหยุดอยู่กับที่นะเรียกว่าอุกขานิมิตนะแสงเนี้ยจะสว่างจะย่อได้ขยายได้นะฝึกไปใคยากเรียนวิชาสร้างแสงแบบย่อๆไหมวิธีทําสมาธิย่อๆเลยนะหมูหมูหมูหมูหมหมหมทําใจสบายอยู่ที่นี่นะถ้าเลือนมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านะสว่างทันทีเลยนะทําใจสบายนะ ระ ล, ลึกอย่างนี้ระลึลสบายอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งจะปวดลูกตาเนี่ยไม่สว่างท่านใจสบายสว่างทันทีเลยแล้วจับแสงสว่างไว้นะคราวนี้ทําสมาธิต่อเข้าฌานได้ทําไมพระโมคคลาเข้าฌานเร็วมากท่านจะมานั่งหายใจแล้วเข้าฌานเหรองู ก, กัดตายท่านเคยไปสู้อย่า น, านาั่งนั่งตือนิริตเยอะนะแล้วนาคงนิทานั่จะอาปาก ว่าถ้าพระแน่จริงนะให้เข้ามาในปากนะั้นมันจะงับแน่จริงออกไปให้ทันนะขนาดถ้าสารีบุตรอาสาเข้ามาพระเช้ายัางไม่เอาทําทำไม่ได้มีพระโมคคลาทําได้เข้าสมาธินะั้นเข้าไปอยู่ในปากพญานาคนะออกจากสมาธิเข้าสมาธิออกมาก่อนที่มันจะงับงูงับเร็วไหมนะนะท่านต้องมีเคล็ดลับจับแสงสว่างเนี่นะปุ๊บเข้าไปเลย ไม่คือกระสินชนิดหนึ่งไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวเอาแต่เล่นนี่มีสองแบบนะพอจิตจิตเนี่ยจับอยู่ความสว่างนะจิตจะมีปีติมีสุขมีกาตาขึ้นมานะเข้าฌันที่หนึ่งตรงที่จิตยังน้อมไปจับแสงสว่างอยู่เนี่ยรี่ว่าวิตก ตรงที่จิตเคล้าอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้จงใจเรียกว่าวิจารนะนี่พอสติระลึกรู้ว่านี่ยังมีการกระทำอยู่ยังมีการจงใจไปรู้อยู่นะความจงใจรู้นี่ดับมตรงวิจารณ์ดับลงไปธาตรู้ก็ผุดขึ้นมาธรรมชาติรู้ผุดขึ้นมางั้นธรรมชาติรู้ตัวนี้จะผุดขึ้นในฌานที่สองเมื่อมิโกวิจารณ์ดับไปแล้วนะส่วนนี้ท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะ แล้วจะเข้าฌานต่อไปก็ได้หรือถ อ, ถอยออกมาข้างนอกกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้นะภาวะที่จิตไปทรงอยู่กับเอโกที่ภาวะตัวรู้เนี่ยมันจะติดออกมาข้างนอกด้วยก็เวลาเราเข้าสมาธิไม่ดีโมหายังติดออกมาได้เห็นไหมโอเข้าดีๆสิกุศลก็ติดออกมาได้นะอืมงั้นจิตนี้ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้นานนะถ้าสมาธิกล้าแข็งมากๆอยู่ได้นานมากเลย งั้นตามรู้ตามดูได้สบายมากเลยแต่ถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้เราเข้าฌานไม่ได้มีวิธีวิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งเป็นขณะขณะไม่ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิไม่ตั้งอยู่ในอัปป น, นาสมาธิแต่ตั้งอยู่ในคณิกะสมาธิตั้งเป็นขณะเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดเลยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะ รู้กับคิดมันศัตรูกันถ้าสติระลึกรู้ว่าจิตไปคิดปุ๊บจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่รู้ได้แวบเดียวแวบเดียวอย่าดูถูกแวบเดียวเกิดบ่อยๆน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนใช่ไหมอ๋อหยดทีละหยดนะหรือน้ำหยดลงตุ่มใช่ไหมนั่นก็เต็มตุ่มได้ถ้าตุ่มไม่รั่วแต่โยมทั้งหลายคือตุ่มรั่วระวังนะรั่วไปทางไหนรั่วไปทางตา รั่ไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีรูรั่วทั้งหกรูเนี่ยเพราะฉะนั้นะะระวังนะสงวนรูรั่วไว้หน่อยพยายามปิดไว้หน่อยไม่ควรดูไม่จําเป็นต้องดูก็ไม่ต้องแรดแรดไปดูอไม่ต้องดูล็อกคนส่งคอนเสิร์ตอะไรนะหนังหนังอะไรไม่จําเป็นหลวงพ่อไม่เอาเลยตอนหลวงพ่อตอนเป็นวัยรุ่นนะชอบดูหนังนะมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนอยู่อยู่ข้างโรงหนังมีโรงหนังล้อมอยู่สามโรง อยู่ที่ไหนไทยอยู่จุฬาโรงหนังเพียบเลยตอนเด็กๆ ก, ก็ดูนะไปเรื่องก็ชอบดูหนังแต่ว่าพอภาวนานแล้วไม่เอานะรู้สึกเสียเวลามากเลยเนี่ยไปหลงกับกามเนี่ยคือกามแหละคือที่ทำให้สมาธิเราเสียะนะดูทีวีก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่นิยม ไม่ชอบเลยนะแต่ในอะไรให้ดูละครทีวีนี่ไม่เอาเลยทนดูไม่ได้เลยะไปดูมันตอนหนึ่งแนละ้วทนไม่ได้นะแต่เห็นควรเขาพูดกันมากเราไปซื้อที่มันเป็นเล่มๆอะ่ะที่มันย่อมาเป็นตอนๆ น, นะเล่มนึงไม่กี่บาทเราอ่านจนจบแล้วจืดแล้วไม่อ่านไม่ดูมันละเสียเวลางั้นประหยัดเวลามากเลยนะเวลาอย่าไปหลงเนี่ยถ้าเราไม่เอาเวลาไปถลม่มทลายใช้ด้วยตุ่มรั่วของเราทั้งหกรูนะ รั้วทางใจอันเดียวก็แย่แล้วฟุ้งจยตายอยู่แล้ววันวันหนึ่งดังนั้นเราทําสมาธิไปนะสังเกตไปวิธีฝึกนะหายใจไปก็ได้พุโทโธไปก็ได้แล้วจิตหนีไปจิตเรารู้จิตหนีไปจิตเรารู้อย่าพุโทโธเพื่อจะพุโทโธอย่าหายใจเพื่อจะหายใจโง่เกินไปไม่พอนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะพุโทโธถ้าไม่พุโทโธเป็นเพื่อพุโทโธเฉยๆนะพุโทโธเรารู้ทันจิต พุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจพุทโธเรารู้ทันจิตด้วยพุทโธแล้จิตหนีไปเรารู้นีไปรู้ถ้ารู้ได้อย่างนี้จิตจะตั้งขึ้นมาทีลักษณะทีลักษณะพอเกิดบ่อยๆนะัมันจะต่อเนื่องสิ่งที่ต่อเนื่องความจริงไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดบ่อยๆเหมือนๆกันก็เลยดูต่อเนื่องอย่างไฟฟ้าเกิดดับตลอดนะไม่ได้มีต่อเนื่องแต่มันเกิดดับทีมันรู้สึกต่อเนื่อง จิตนี้เหมือนกันนะรูปมีสมาธิเป็นขณะขณะขณะถ้ามีบ่อยๆนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกให้มากเลยในทะี่สุดจะได้สมาธิที่ทรงตัวขึ้นมาพอได้สมาธิที่ทรงตัวแล้วทีนี้ถ้าสติระลึกรู้รูปจะเห็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปเห็นเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาสติระลึกรู้เวทนาไม่ได้จงใจระลึกระลึกเองเวทนาเกิดเด่นขึ้นมาสติระลึกปุ๊บก็เห็นไตร ล, ลักษณ์ของเวทนา สังขารเกิดเด่นขึ้นมาเช่นกิเลสแรงขึ้นมาสติระลึกรู้ปุ๊บก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกิเลสนั้นจิตเองเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหนะก็แสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วนี่ฝึกอยู่อย่างนี้นะเราเห็นของจริงได้งั้นถ้าจิตไม่ทรงตัวขึ้นมาเป็นคนดูเราก็เดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนานั้นต้องเห็นเอาต้องเห็นของจริงเอาวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าเพ่งนะปัสตานะว่าการเห็น วิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกก็คือเห็นใจรักนั่นเองในวิปัสสนาเนี่ยเห็นเานาะจะเห็นเนาต้องจิตเดีวหลงไปคิดเานาะต้องรู้สึกรู้สึกเอานะที่หลวงพ่อใช้คําว่ารู้รูนะ้ถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกคือเห็นนะเห็นด้วยใจนะไม่ใช่เห็นด้วยตาหาก ด, ดูจิตใหม่ๆดูไม่เป็นหลวงพ่อก็ไปดูด้วยตานะปวดตาแทบตายปวดตาแล้วก็อดทนนะปลอบตัวเองเราจะต้องร่วงทุกข์ด้วยความเพียรดีตามไม่บอดซะก่อน เพราะฉะนั้นไปฝึกนะฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจะเห็นสภาวะนะแล้วสภาวะจะสอนไตรลักษณ์เมื่อจิตแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์แนละ้วจิตจะคลายความยึดถือในรูปนามเมื่อจิตไม่ยึดในรูปนามจิตจะสัมผัสพัพนิชภนันฑ์พ้นรูปนามเมื่อไหร่จะสัมผัสพัพนิชภัณนะ์ส่วนคนทั่วไปเขาก็พ้นรูปนามนะมอยู่กับบัญญัติอยู่กับเรื่องราวที่คิดที่นึกไม่เห็นรูปนาม ใช้ไม่ได้งั้นพวกเราค่อยฝึกเอาเรียนรู้รูปนามไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้บางทีไม่มีแรงจริงทําความสงบเข้ามาสงบพอมีแรงแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปคิดไหมจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมานะไปฝึกอย่างนี้นะไปไปกินข้าวก็ไปฝึกเอานิมนต์อะไรครับ